อ๋อ uh นาตาลักเทปปาที ร่วงแล้วได้สองพันห้าระอยหสิบวาพระวตร์วัดโบายธรรมใหม่เรือนกดัดดกดากรรมม า, มาสโสรจตนที่ รเจ้าของเราน้นนมีในอันที่ท่านทั้งหลายจะเป็นกำหนดหนับรับรู้ไว้ด้วยประกาศยานัตีลอโมตตรพักตา พ่อติพอมพ่อแบบบานพ่อเมอาตาเตยยอมใจร้ายทุกมือ จากการใดๆในทางพระพุทธศาสนาก็จองระลึกถึงพระคติเพราะเป็นธรรมอันระเอิดของโลกเือพุทธานุคตริระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าพ่ลง พ่อเจริญพวกเมป่า น, น, านาทํามาลรสตรีระเยียดจังคนของพระธรรมที่เป็นสวัสดิธรรมทาที่พระพุทธเจ้ า, าจรพาระองนั้นละไว้ดีแล้วสังขานรสติ เราลกทึ่องปนของพระหลงราวกความพระพุ ท, ทธไตรโพ่ป่าเจบปัตเีป่าเจ็บปัดรองป่าเบปัิเพื่อจะออกจากทบป่าเจ็บปัดทำงครื่องป้อนใจทำยาคาลดระตี ระลึกถึงเสงที่ปล่ อ, อ, อยจากสีลาลดระติระลึกถึงสี่งที่ได้าาทํบมาทานหรือไใ้วิรัติเทวทาลดระติระลึกถึงคนของบุคคลที่จะทำบุคคล ให้เป็นเทวดาอาณาปานาสาติระลึกทึ่งลมหายใจข้าวออกโยรำเนร์กายข้ า, าตาสติระลึกทึ้งกายทั้งพวงหรือกายทั้งหมด มาราานาโนตระดีระลึกถึงความตายเอทุกขันธ์จิตอ ป, ประรณานาโนติะระลึกถึงคนของวาปริภานคือความหลับทุกข์ของชาติวันเกิด ยาลาความแก่บ่อนานความตายราติเป็นคำที่จะเล่นที่ถดในโลกพ่อมีราติย่องจะเล่นกบเมื่องลบราติเป็นคำที่เป็นโกธน เป็นมงคลเป็นสิรีท่านทั้งหลายทรจากล่าวะโกลทราบลาว่ะโกธรทราบล า, า, าว่ามงคลหรือทราบ่าวะศรีท่านจงกล่าว <c oughs> ว่าเป็นผู้มีสติอันเป็นที่รวมของโกล ขององค์ของผู้สนของสิริตรัสติและาาธรรมะธรรมปัจจัยาวทุกพระองค์ทองสัรรเสริญทองอันโมธนาว่าผู้มีตรัสติไม่ว่าจะทานอยากโมทหรือ อยาคิดพ่อมีโนมีระติการทำพูดรือคิดย่อมถูกกองและดีงามเพราะพ่เจเริยนระติเป็นพ่อมีปัญญาคือมีสามไปปัญญาสติและสามไปชัญญา เป็นทำ เ, เรื่องเจริญของโลกเพราะจ่าีินันเปนงสามมกกะแปลว่าถูกต้องสันปัญญาคือสุสัมมาคือถูกต้องแล้วก็ดีระเบิดยาตาม อย่าโพดอย่าคิดเรื่งใดๆก็มีระิีจำไปจันทีก่อนอย่าทำก่อนอยะโพดก่อนอ่าคิดการทำโพดคิดย่อมถูกต้องแล้วก็ดีงามระที่นั้น เป็นคำเครื่องสังวรระวังการสังวนระวังและพุทธเจ้าต้องสระเสริญต้องอนโบานาว่าการสังวรระวังไม่ให้บาปไม่ให้อาโกยสอนอาชาิวาและโทมมานั้น ร่อบ้างได้นี่เป็นรางวัลประดานการระวังตาโห่ยำโง่เรียนกายเล็กใหญ่เวลาโรคเตียงเป็นรถปพผะมากระทบระวังไม่เกิด ความรักความจังไม่ให้เกิดอาิชาและโทมานะพระพุเจ้ารงตักรวานีเป็นศีลดีเป็นกติของพวกเธอนีเป็นศีลของพวกเธอนีเป็นเอ็ีของพวกเธ อ, อ, เ อ, อ, อดีแล้ว ที่พวกเธอระวังใจหูอย่งหมูเดินไกาใจดีทำอันเพื่อจันล่ะบาปอภิศ น, นคือปางานะผาทานคำว่าปางห า, ะะา น, นาาหาะคือการละการกลางอันาบาปอภิศน ที่เกิดขึ้นมาในการก่อนด้วยภาวนาะให้ดีความพอใจวิความพยายามระรอกความเพียนกระพองใจตั้งไวได้ดีนี่คือภาวนาที่เป็นบนเป็นกุศน เพระวายนาประทานทยังให้ร้นให้โกศนที่ยังไม่เกิดให้บลญให้โกศลนั้นเกิดขึ้นย่าเรนเต็มเพียงบริบูรไม่ชราไม่โัว ยาโคตรภาวนาและควรจะอนุรักษณาประทานรักษาบนโกตรเหล่นั้นไม่ให้เครื่อมไผรนี่คือทันอันตรเดชท่านทั้งหลายให้รลักในการทำอดคิดให้มีสติ ดันไปสัญญาอยู่เสมอด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปราลบความเกียนและเราของยังใจตั้งไว้ดีว่าจเรียรา ม, มาทิหรือจะเริยนิตงต่อภาวนาหรือจะเริยน วิปัสนากรรมาฐานถ้านผูถามท่านกรรหลานว่าการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ท่านตอบด้วยความภาคภูมใจความอินใจว่าการเจริญกาวนา วิพัฒนากรรมฐานเอาบางอติปัสสันธีเป็นหลักเป็นเก่นอารติปัสสันธีดีที่อย่างอะไรบางมารติปัสสันธีดีทีอย่างดีที่ถาย การกายการเวทนากานจิตและกานธรรมมาที่พักานาสิเดี์พระพุทธองค์งทรงแดงแก่ชนชาวูพลุธรรมาจ็ธรรมานิพม และพระองค์ทรงสักงแก่พิฆโรทั้งหลายว่าพิกโรทั้งหลายพวกเธอต้องตั้งใจให้ดีวางในดีเราจะกล่าวว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้ผู้เดียวไปในที่แห่งเดียว เพื่อความบริสุทธว์มดยดความเวไนยทัทงหลา ย, ย, ายเพื่อกาลววความเศ้าโศความร้องไห้ความทุกขก์ยความทุกข์ใหญ่ให้ับไป เรื่อแยกทบและกอนมานักที่คือทําที่ถูกต้องเป็นใหญ่ธราทํารที่จะนำออกอยกทบนั่นคืออะไรนั่นคือมาหาสติปัจจานครู คำว่ามังหานิแปล ว, ว่าใหญ่เจ้ตีแ็นทำเครื่องอาศัยหลาลึกคำว่าโสตโสดระคือคลี่ออกกลายออกขา ย, ยายออกเหอนกลมได้ยัดต้นกลมได้แล้วก็่าไม่ออกไป มันจะขี้ออกกลายออกกลายไหลออกอย่างไรคำว่าโรก็อย่างนั้นได้มาเสด็จพัฒนสูตรซึ่งเป็นโสตรที่ใหญ่เป็นโสตรที่สมบูรที่โสตของคนจำบอดีตร์ที่จะปฏิปัติธร เพื่อไปลุใหญ่ยากันทา ง, ง, งอันลดผลอยากความพุกขทั้งโกรธยากความพุกทั้งหมดโดยเชื่อเพาะหัวข้อฟอังทรรมที่ประกาศที่เรียกว่าโอเคคือหัวข้อฟังทรรม พุทธการบริจัดต้องจดจำให้แมงยันเพราะว่าข้อของธรรมเป็นที่รวมของธรรมทั้งหมดบานประดิว่านรับธรรมวาธรรมปัจจัยดาวพระองค์นั้นเจ้าทรงแสดงโดยเจ้าะ แต่พิกโซบอ่อยสักแต่ตามความจริงพิกโซเป็นผู้นั่งไกลพระทำมาทำพจใจเจ้าพระพุทธเจ้าองเรืยงองทรงสรัสว่าพิกโซในพระธรรมที่ไหนนี้พิจจะไา้เป็นกาย ในกายเนื่องเนื่องอยู่มีความเพียรมีความโลภมีรติการจัดความยินดีความยินร้ายได้ลอกให้พี่นาไปหัวข้อของธรรมนั้น มีโยธรรประการแห่องอาจาติพิยันผอมกิเลสบากธรรมให้รอดรลอนรองรับภัยจากโนโรตุตัวทั่วพร้อมสร้างสติมาจั้งสติ เอาไว้ให้มันวิยนยับโลเกอภิกษุต่อมานักงให้ทำลายความยินดีความยินรายใน้โลกให้พี่น้าไปเรียกหลวงพ่อของฉัน เหลือฐานกายาโนปัศษณาแสดทิปัศษณ์ฐานเป็นที่ตั้งแสดทิของฐานพิจารณากายที่กายเรือในกายพิศรณ์ในพระธรรม น, นิไหนนี้พิจยนา ให้เวกนาได้เวกนาเรื่องเรื่องอยู่มีความเพียงมีความรู้มีสติการจยัดความยิดงความยินรายได้โอ่ให้ที่หน้าไป พิสูจน์ในรกรรมวินัยนี้พิจารณาให้เห็นจิตที่จิตหรือไหนจิตเหนื่องเหนื่องอยู่มีความเบื่อมีความรู้มีระดีกมจับความยินดี ว่ามีรายในโลกให้พี่น้าไปพิสูจในระธรรมใดนี้พิจารณาให้เห็นธรรมในธรรมเป็นประจำนเลื่องเลื่อมโยมมีความเปลียน มีความโล้มีสติตาการจยาบความยินดีความยินรายในโลกให้พี่น่าไปทั้งที่ประการเรื่องฐานทั้งที่เป็นที่ตั้งของสติเป็นที่จะเดินของสติ สามปัญญาเป็นหัวพ่อของธรรมหรือโอเทศของธรรมพจนอริยทั้งหลายการเจริญยตถภาวนาที่สังกันที่เป็นสับภัยาคือความระงม รัฐานที่อันรองอบอันวิเวจะช่วยให้จิดเข้าสมาธิได้สะดวกได้สบายระพุทธ้าวรองสีรัฐานที่อันเหมาะสมแก่การจเจริญิตถภาวนา เอ่อออนหม้ป่าหมาเรือนวงนี่เป็นรับไ์ยยเป็นที่สบายแกร่างกายและเป็นที่ระบายแกจิตเป็นที่สำบวิเวกพระองค์ร่องกายาย เป็นวิพังคำว่าวิพังคือการขยายการแสดงไปตามขั้นตอนไปตามลำดับเมื่อได้สถานที่อันเป็นที่จเจริญจิต้ภาวนาแล้วพระองค์ทรงตรัว่า <c oughs> นิจิทานะอ่อนลังกัางอาพุชิตจาวาเพ่งนั่งคัตสมาธิคำว่านิจิสันะป่อหลังกันคือการโค้งเข่าทั้งสองข้างขวาทับสายทั้งเทาวและมือ นี่เป็นการนั่งสมาธิที่ที่ที่ถดเป็นปัตมะสานาคำว่าปัตมะสารนะเราอาจแยกแระว่าปฐมเกิดเป็นแหน่งได้คำว่าปัตมะคือปฐมนั่งอย่างดอกบัว้อนกรีดซอนเป็นฉันฉัน มือขวาท้าขวาทับเท้าสายมือสายทับเท้าขวามือขวาทับมือสายนี่เป็นปฐมศาสนะการนั่งที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนาและพระองค์ทรงจักต่อไปว่าโอชงกายยังบะณฑิตาย พวกเธอเป็นตั้งปณิธานหรืออาชิษฐานอีกว่านั่งกายให้ตรงคำว่าโอชงเดบแล้วว่าตรงกายยังคือกายนั่งกายให้ตรงเหมาะแก่การจะเข้าสมาธิถ้านั่งไม่ตรงจิตจยปรหลับระ บ, บบของกายให้เป็นปกติ ไม่้องไม่สงบความสงบของกายสงบของหวยานทนี่เป็นศีลความพวกเธอเป็นศีลทำไม่ชาไม่ใช่ศีลปงิบัติเป็นศีลปกติศีลจะทำให้เกิดสมาธิ เจนียังไม่ขาดไม่กางไม่รอยอยากเป็นไทยอยกเป็นไปเพื่อสมาธิกายสงบวาาบ่าใจสงบทุกข์ทางในที่นี้เป็นผู้มีสี่อันเป็นปกติมีสีอันสมบูรณ์สิ่ดีที่พระพุใจเจ้า ร่องอาโมจนาท่องสารเถินแต่จิตยังไม่สงบจะทําให้จิตสงบนั้นงระพุสระองร่องระตัวร่องระโตอัระติเพราะเธอย่อมดีระติ หายใจเข้าให้มีรตดีสูและอดองอดระดีย่อมดีสะิีหายใจออกเพราะลมหายใจนั้นขึ้ น, นรองจอยจิตถ้าเรามีสะิตสังไปสัญญา หายใจเข้าโลหายใจออกโลลมอน า, านากานาตาติเป็นอาหารของจิตจิตจะได้รับอาหารทุกหลังเวลาหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นผู้โลผู้เตืินโลสเสมอ เด็นั้นจะเอ็มความเอ็มของจิตเรียกว่าปีติปีติก็เคลื่อนภายในจิตมีทั้งห้าประการเป็นคำอันประเสริฐที่จะเปิดไปสู่ตัแห่งธรรมการจะเริยนยึตถือภาวนา ถ้ายังไม่เกิดปีติก็แปลว่าประตูแห่งธรรมยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นต้องให้อาหารของจิตให้จิตเต็นจิตเตลงจิตระโมดเมื่อละปีติแล้วจิตย่อมมีความปุกไม่มีทุกข์ใด ของโลที่จะเปรียกกับความจบของจิตเพราะความจบที่ไม่มีอามิไม่มีเสีงเกี่ยวปนเป็นความจบที่บอ่อยโสดจะองจึงทรงจักว่าที่ขั้งหัวพัจจาันโต สังพักร า, ามสามาธิปิจจานาทิเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้จักว่าหายใจเข้ายาวจ้งสติตั้งแต่ต้นลมระลึกเจ้าการเคลื่อนไหวของลมในการหายใจเข้ายาวให้การลาดับ พอทดหลองให้พักลมพักจิตเดดหนึ่งเพื่อเพิ่มให้เกิดสมาธิในขั้นิกะสมาธิที่ขั้งว่าปัจจารันโทที่ขัง้งปัจจารามิติปัจจารานิ เมื่อหายใจออกยาวไม่รูยจักว่าหายใจออกยาวพอหายใจออกสุดไม่ต้องพักรีบหายใจเข้าไม่รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องทง้อง ไม่ต้องหนักไม่ต้องนึ ก, ไ ม, นกไม่ต้องคิดไม่ต้องบอดกรรมวางพอใจนั้นเป็นสมาธิความเพียนพยายามนั้นเป็นสมาธิการตั้งใจให้ลองกับลมหายใจนั้นก็เป็นสมาธิการประคองใจ ให้ลองกับลอนโยธมัมเสมอนี่เป็นภาวนาของจิตภาวนาเรียกว่าจิตทิบาทภาวนาคือคนเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ทุกๆประการนี่เป็นขั้นที่หนึ่ง ได้ภาณภาพาระดับติให้ท่านจเจริญข้ายาวออกยาวให้สามมังสมเหมือกันไม่ต้องเปลี่ยนตามโลล่ลองหายใจที่ <c oughs> กั้นลับโลได้พัจโุบันเรื่องเกินวางให้หมด และกรงมมารัมปัจจัยยาวรัดแก่พิโคทัท้งหลายว่าพิโคทั้งหลายอานาปานาสติคือลมอหายใจเป็นเลื่องเรางอบระหับจากสังการท้งปวงพวกเธอจ้องทางเจ็ด ให้วางทุกทุกอย่างที่ไม่วางคือลมหมายใจที่เป็นพระกรรมเทศนาผาา่านนาฏศิลป์แก้พิโคตันหลขั้นที่สองรักสงวาปัจสันโตรัตสัป กระซ้ามีดิไพศาอนาดิเมื่อหายใจเข้าดังไม่รร้จักว่าหายใจเข้าดั้งไม่ต้องตามขาวเวลาหายใจเข้าลองกระทบจุดใดให้มีรย์กมะจาเบรยสั่นไปันญะ รายลึกในจุดนั้นเพราะกา ร, รกระทบการสัมผัสของกายด้วยกายจะทำให้เกิดเวทนาที่เป็นครุกที่เป็นโกเดิอไม่ครุบไม่โกพระพองค์จึงกลงจัดว่าฉันทร์ทัณเนติยังความพอใจ ให้กัรเกิดวายามาติเพียรพยายามให้ต่อเนื่องวิธีอย่างมารับปฏิปลาลบความเพียรโย่สมังเสมอจิตตังพักหนาติปาาัจจานาติ พระภาวุธไตั้งไว้ได้ตรงใน้ปรบไดทุกได้ความไม่ปรบไม่ทุกให้โกรที่การเระกอบกรรมปฏิญากายอย่าเป็นเวทนาโกรเวทนาได้เวทนารัฐร่างว่าพัฏฐาสันโต ระสังวัตรราอิติปิราอินติเมื่อหายใจออกสันให้รู้จักว่าหายใจออกกันโดที่ลมกระทบสัมผัสทร ก, ก็ดีทุ ก, ก็ดีไม่คกไม่ทุก็กกดีระพองจิตได้กรอกครก และไม่โกไม่โกนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามรับภัยยาปฏิรูปเวทีอัตราชตามฤทิ์ที่ผู้กรตีเธอยอมมีระดีหายใจข้าว โลกายทั้งพวง ก, กายทั้งพวง ก, กายทั้งหมดลมไหายใจคอยจะสรุปสรวงไปทุกทุกส่วนของลมหายใจจะโล่กายที่กายหรือในกายครับพระกายยาปฏิสังเวช ปัสสิกสามวิชชิกาตกามาศิกาติแปลว่าศึกษาศึกษานี่แปลว่าปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมมีสติหายใจเข้าหายใจออกเพื่อโลกายทั้งพวงโลกายทั้งหมดเพื่อจะหลักหลักายทิสติ ควายุดมันเตือมันว่ากายของเรากายเป็นเรากายเป็นตัวตนทุของเราด้วยอุปมาทานนี่เป็นเหตให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงของจัตโลกถ้าเรามีสัติสันภัญญาะะระลึกกายทั้งปวง ร, ร่างกายทั้งหมดถูกต้องเราจับ่อยเอาจะวางไม่ยึดถือไม่ยึดจิดไม่ผัวพันกับกายนั้นขั้นที่ที่สี่อดรำไยยังกายสังขารหลังอัครเิชวงมีที่เจ้ากุญแี เอย่อมมีสติละกายทั้งโปวงปล่อยกายทั้งโปวงวางกายทั้งโปวงไม่พัวพันกายทั้งโปวงเบื่อไม่รุดมั่นหรือัน่ละวางกายทั้งหมดด้วยหายใจเข้าวัดรังไปยังคายังกายั้งว ปิบัติมีทิกติกอรออียอมมีกติีหายใจออกเพื่อวางกายทั้งปวงละกายทั้งปวงไม่มีใหนาไม่มีทิฏฐิไม่ยุดติดด้วยอำนาจแห่งหอปราทารทาอันตั้งเจริญ อาณาปฏินี่แล้วจแห็งกายในกายเป็นภายในส่วนหนึ่งแห็งกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่งแห็งกายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในที่เป็นธรรม รวมกันส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดอนุปัสีิให้เกิดวิปัสนาคำว่าวิภัสนาคืออนุปัสฐิคือสามูไทยเอที่ให้เกิดกายนี่ท้งปวงกายนี่ท้งหมดนั่นคือ เบญญาขันพระองค์จึงทรงจักว่าสรโมทยาธรรมาโนปัติวากายัสเมิงวิหารตาิพิจนาให้เห็นเป็นธรรมชาเป็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายประ อะไรเกิดขึ้นในกายหวางทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของโลกขันของนังมาขันที่เป็นรอนที่หนึ่งส่วนที่สองไวยะธรรมโนปเิวากายัตสิกวินารติปิจนา ให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาคือความเคลื่อนในกายบางเป็นครวนที่สองจัมมุขกรรมโอทัยะโอทายะธรรมโลปเทวากายยัสมิงวิภาติพิจนา ให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือทางเกิดทางเกือนในกายบางทางเกิดทางดับในกายบางที่เกิดอนุปัสสวิปัสนาววิเสเสปัสสีติวิปัสนา ขั้นหมายเจ้าเหล่าใดเป็นรูปนามด้วยประการต่างๆเป็นพิเศษเป็นพิเศษทั้นหมายเจเหล่านั้นชื่อว่าวิปัสสนายาวะเตวะยานามัตตายะมิยานเจสกวะรู อดิตสติมักกายามีสติแต่จักว่ า, าละละอาศัยระลึกอดิกายโยเทวาวาปันณณสติเอย่อมมีสติว่ากายมีอยู่ตั้งไวเฉพาะปัจจุบัน ของเธอหนันกายใจรักว่ากายไม่ใช่สัตไม่ใช่มุกกวอนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นพวกเธ อ, อยังไม่มีตัณหนายัางไม่มีทิฏฐิพวกเธอ ย่าไม่เข้าไปยึดถือย่าไม่เข้าไปยุตินะจัจักสิจิโลกเกอุอปาทิยติไม่มีเจนใดใดทั้งอวังในโลกไม่มีเจนใดที่ป่วรยึดถือทั้งอวังในโลกดังที่แลท่านท่างหลาย เชื่อว่าเป็นการพิจารณาเป็นกายในกายตางที่ได้กล่าวมาว่าสติเป็นธรรมอันกระเสริฐเป็นอัปปมาตธรรมกันของผู้ไม่ประมาทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตรเชิณ พอเบิกบานด้วยคำมานุสติดี๋ยวยทุกทางย่าเดินรักติทุกเมื่อพ่อมีสติทุกเมื่อย่อมเป็นที่ย่ำเดินทุกเมื่อของท่านทั้งหลายตามที่ได้กล่าวไว้ก็ก็ควรไปเวลาคอยดุติ พระธรรมเต้นาลงขอ้อไวยแต่เพียงดีขอความทุกความกราบดีย่อมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยทั่วกันเถิน